พระไตรปิฎกะบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสามสุตตันตะปิฎกอังคุตรนิกายสัตตกะอัฏฐกะนวกะนิบาทพระไตรปิฎกเล่มนี้ว่าด้วยชุมนุมธรรมะจำนวนเจ็ดแปดและเก้ารวมทั้งเล่มมีพระสูตรประมาณสามร้อยสูตรต่อไปนี้จะย่อตามลำดับจำนวนคือเริ่มแต่ชุมนุมธรรมะจำนวนเจ็ดเป็นต้นไป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 ตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะเจ็ดอย่างย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและยกย่องของเพื่อนพรมจารีคือใครจะได้ลาภใครจะได้สักการะใครจะไม่ให้ใครดูหมินไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปประทานนาลามกและเห็นผิดอีกนายหนึ่งคือเปลี่ยนเฉพาะข้อ6และเจด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 ศีลความละอายความเกรงกลัวต่อบาปการสดับตรับฟังการสลักและปัญญาตรัสกับราชมหาอามาตชื่ออุคคะว่าซับทั้งโลกเป็นของสาธารณะแก่ไฟแก่น้ำเป็นต้นส่วนรับเจ็ดอย่างข้างต้นไม่เป็นของสาธารณะแก่ไฟแก่น้ำเป็นต้นไม่เหตุผู้อ่าน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 วิจิกิจฉาความสงสัยมานะความถือตัวภวราคะความกำหนัดยินดีหรือความติดในภพหรือความมีความเป็นอวิชชาความไม่รู้อริยสัจ ส, สีตรัสแสดงว่าพรหมจันทร์อันบุคคลประพฤตเพื่อลักสั่งโยตเจ็ 7, และตรัสแสดงสั่งโยชเจ็ดอีกในหนึ่งเปลี่ยนเฉพาะข้อ6กับเจ็ ในเนื้อความก่อนเป็นความริษยาและความตรณีวรรคที่สองอนุสยวรคว่าด้วยอนุสัยคือกิเลสที่แฝงตัวหรือที่นอนเนื่องในสันดานตรัสแสดงอนุสัยเจ็ประการอย่างเดียวกับสังโยชน์เจ็มีความพอใจในกามคือกามราคะ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 ไม่ให้อาสนาด้วยอาการที่น่าพอใจสปกปิดของที่มีอยู่หให้น้อยในของมาก 6. ให้ของเศร้าหมองไม่ประนีต 7. ให้โดยไม่เคารพส่วนฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามตรัสแสดงบุคคลเจประเภทที่ควรของคำนับ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 แต่คุณธรรมเสื่อมไป 3. โกลขึ้นแล้วลอยอยู่ได้ได้แก่ผู้มีคุณธรรมไม่เสื่อม 4. โกลขึ้นแล้วเห็นแจมแจ้งเหลียวดูได้แก่พระโสดาบันหโกลขึ้นแล้วไหว้เข้าหาปังได้แก่พระสะกทาคามี 6. โกลขึ้นแล้วไปถึงที่ตื่น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 มากไปด้วยความไม่เลื่อมใสในภิกษุที่เป็นเทระบวชใหม่ปูนกลางฟังธรรมะด้วยจิตคิดจับผิดแสวงหาทั ก, กิเนยะบุคคลนอกพระพุทธศาสนาทำการอันควรรมก่อนให้ทั ก, กิเนยะบุคคลนอกพระพุทธศาสนานั้นส่วนฝ่ายดีทรงแสดงโดยในตรงกันข้าม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 แล้วตรัสแสดงถึงธรรมะเจประการที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของภิกษุคืคอห้าข้อแรกพ้องกันกันกบคาระวะที่แสดงมาแล้วเปลี่ยนแต่ข้อหและ7คือเคารพในความละอายในความเกรงกลัวต่อ บ, บาปอีกในหนึ่งเปลี่ยนเฉพาะข้อ6และ7อีกคือว่าง่ายคบคนดีเป็นมิตร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 มีความละอายมีความเกรงกลัวต่อ บ, บาปมีการสะดับมากปรารบความเพียรมีสติและมีปัญญาวัรคที่หมหายันยวรรควาด้วยการบูชายันใหญ่ตรัสแสดงที่ตั้งแห่งวิญญาณ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 ได้แก่เทพพวกอภัสรภรม 4. สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกสุภกินนหะลม 5. สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอากาศสาัญจายตนะ6สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงวิญญาณญจายตนะเสัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอากินจัญญายตนะ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 โมหะและควรสักการะเคารพไฟหนึ่งอย่างคืออาหูเนยยักขีไฟคือผู้ควรของคํานับได้แก่มารดาบิดดาขหะปฏิตกคิไฟคือคฤหบดีได้แก่บุตรภริยาธาตุคนใช้ทักกินเนยะยะักขิไฟคือผู้ควรแก่ทักกินาได้แก่สมณพราหมณ์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 ลอยสัตว์เหล่านั้นไปตรัสแสดงสัญญาคือความกำหนดหมายเจ็ดประการว่ามีอมะตะเป็นที่สุดคืออาสุภะสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่งามมรณะสัญญาความกำหนดหมายในความตายอาหาเรปฏิกูละสัญญาความกำหนดหมายว่าน่าเกลียดในอาหาร สภะโลเก crisp, อนพัพยรตะสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอานิจจสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงอานิจเจทุกขสัญญาความกาหนดหมายว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกเขอนตัตตะสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่ใช่ตนในสิ่งที่เป็นทุกข์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 คือกิเลสเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำหอย่างได้